จนผมเห็นอย่างนี้คืออันนี้เขาเรียกจิตตื่นหรือหรือเอหรือว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับใช่ผมเห็นความความรู้สึกนี้ประมาณหนึ่งวันกว่ า, วา <c oughs> แล้วพอเห็นตรงนั้นปุ๊บผมก็มีความรู้สึกแบบดีบบเออเออขึ้นมาผมก็เหมือนเหมือนได้ใจว่าเออต่อไปนี้ถ้าเราเห็นอะไรอย่างนี้เราจะแบบแยกแล้วนะว่ากายจิต อ, อ่ะสมมติอาการดีใจส่วนนึงอาการอ่าเรามัน ม, มันมันมันไม่ใช่อย่างเงี้ย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 การนมั ส, สการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งมาเก้าเดือนแล้วค่ะก็ก็จริงๆก็เป็นก็ไม่ยังคิดการบ้านไม่ออกอะค่ะหลวงพ่อการบ้านเ็าไม่คิดเอาแต่ว่าแต่ว่าหนูคิดว่ามันจำเป็นต้องส่งแล้วอะค่ะส่งมาสิก็ <laughs> คือใจมันก็แบบมันคลายกว่าเมื่อก่อนเยอะอะค่ะเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเพ่งเยอะอค่ะแล้วก็ รูปแบบเนี่ยมันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแบบทำให้ดีแล้วค่อยส่งแต่หนูรู้สึกว่าก้าเดือนมันก็ไม่ดีสักทีเดี๋ยวมันก็ทอ้อท้อเรื่อยๆค่ะท้อก็ไม่เป็นไรนะแต่ท้อก็ไม่เลิกนักปฏิบัติก็ต้องผ่านความท้อทุกคนแหละ <c oughs> เป็นธรรมดาแต่ท้อก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็